กระบวนการปฏิบัติ 1. องค์ประกอบหรือสิ่งที่ร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิบัตินี้มีสองฝ่ายคือฝ่ายที่ทําคือตัวทําการที่คอยสังเกตตามดูรู้ทันกับฝ่ายที่ถูกทําคือสิ่งที่ถูกสังเกตตามดูรู้ทันองค์ประกอบฝ่ายที่ถูกทําคือสภาวะที่ถูกมอง หรือถูกตามดูรู้ทันได้แก่สิ่งธรรมดาสามัญคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่กับตัวของทุกคนนั่นเองเช่นร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เป็นปัจจุบันคือกำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆองค์ประกอบฝ่ายที่ทำ คือองค์ธรรมที่ถึงที่ทันอยู่ต่อหน้ากับสิ่งนั้นๆไม่คลาดคลาไม่ทิ้งไปคอยตามดูรู้ทันเป็นองค์ธรรมหลักของสติปัฏฐานได้แก่สติกับสัมปชัญญะสติเป็นตัวดึงตัวเกาะจับสิ่งที่จะมองจะดูจะรู้เอาไว้สัมปชัญญะคือปัญญาที่รู้ชัดต่อสิ่งหรืออาการ ที่ถูกมองหรือตามดูนั้นโดยตรหนักว่าคืออะไรเป็นอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรเช่นขณะที่เดินก็มีสติให้ใจอยู่พร้อมหน้ากับการเดินและมีสัมปัชชัญญะที่รู้พร้อมอยู่กับตัวว่ากาลังเดินไปไหนอย่างไรเพื่ออะไรรู้ตรหนักภาวะและสภาพของผู้เดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องในการเดินนั้นเป็นต้นเข้าใจสิ่งนั้นหรือการกระทำนั้นตามความเป็นจริงโดยไม่เอาความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นต้นของตนเข้าไปปะปนหรือปรุงแต่งมีข้อควรระวังที่ควรย้ำไว้เกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่อาจเป็นเหตุให้ปฏิบัติผิดพลาดเสียผลได้ กล่าวคือบางคนเข้าใจความหมายของคาแปลสติที่ว่าระลึกได้และสัมปชัญญะที่ว่ารู้ตัวผิดพลาดไปโดยเอาสติมากำหนดนึกถึงตนเองแล้วรู้สึกตัวว่าฉันกำลังทำนั่นทำนี่กลายเป็นการสร้างภาพตัวตนขึ้นมาแล้วจิตก็ไปจดจ่ออยู่กับภาพตัวตนอันนั้นเกิดความเกรงตัวขึ้นมา หรืออย่างน้อยจิตก็ไม่ได้อยู่ที่งานทําให้งานที่กําลังทํานั้นแทนที่จะได้ผลดีก็กลับกลายเป็นเสียไปสําหรับคนที่เข้าใจผิดเช่นนั้นพึงมองความหมายของสติในแง่ว่าการนึกไว้การคุมจิตไว้กับอารมณ์การคุมจิตไว้กับกิจที่กําลังกระทํา หรือคุมจิตไว้ในกระแสของการทากิจและมองความหมายของสัมปชัญญะในแง่ว่าการรู้ชัดสิ่งที่นึกไว้หรือรู้ชัดสิ่งที่กำลังกระทำกล่าวคือมีชัยเอาสติมากำหนดตัวตนว่าฉันทำนั่นทำนี่ ให้นึกถึงงานคือสิ่งที่ทำไม่ใช่นึกถึงตัวคือผู้ทาให้สติดึงใจไว้ให้ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังกระทำหรือกำลังเป็นไปจนไม่มีโอกาสนึกถึงตัวเองหรือตัวผู้ทำเลยคือใจยอยู่กับสิ่งที่ทานั้นจนกระทั่งความรู้สึกว่าตัวฉันหรือความรู้สึกต่อตัวผู้ทำไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย 2. อ, อาการที่ว่าตามดูรู้ทันมีสาระสำคัญอยู่ที่ให้รู้เห็นตามที่มันเป็นในขณะนั้นคือดูเห็นเข้าใจว่าอะไรกําลังเป็นไปอย่างไรปรากฏผลอย่างไรเข้าไปอยู่ต่อหน้าหรือพร้อมหน้ารับรู้พิจารณาเข้าใจตามดูมันไปให้ทันทุกย่างขณะเท่านั้น ไม่สร้างปฏิกิริยาใดๆขึ้นในใจไม่มีการคิดกำหนดค่าไม่มีการคิดวิจารณ์ไม่มีการวินิจฉัยว่าดีชั่วถูกผิดเป็นต้นไม่ใส่ความรู้สึกความโน้มเอียงในใจความยึดมั่นต่างๆลงไปว่าถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบเป็นต้นเพียงเห็นเข้าใจตามที่มันเป็นของสิ่งนั้นอาการนั้น แง่นั้นนันเองโดยเฉพาะไม่สร้างความคิดผนวกว่าของเราของเขาตัวเราตัวเขาในกอในขอเป็นตน้นตัวอย่างเช่นตามดูเวทนาในใจของตนเองขณะนั้นมีทุกเกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกเกิดขึ้นทุกนั้นเกิดขึ้นอย่างไรกำลังจะหมดสิ้นไปอย่างไร หรือตามดูธรมรมอารมณ์เช่นมีความกังวลใจเกิดขึ้นเกิดความกลุ้มใจขึ้นก็ตามดูความกลุ้มหรือกังวลใจนั้นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเป็นมาอย่างไรหรือเวลาเกิดความโกรธพอนึกได้รู้ตัวว่าโกรธความโกรธก็หยุดหายไปจับเอาความโกรธนั้นขึ้นมาพิจารณาคุณโทษเหตุเกิด และอาการที่มันหายไปเป็นต้นกลายเป็นสนุกไปกับการศึกษาพิจารณาวิเคราะห์ทุกของตนและทุกนั้นจะไม่มีพิษสง์อะไรแก่ตัวผู้พิจารณาเลยเพราะเป็นแต่ตัวทุกเองล้วนๆที่กำลังเกิดขึ้นกำลังดับไปไม่มีทุกของฉันฉันเป็นทุกและอื่นๆ แม้แต่ความดีความชั่วใดๆก็ตามที่มีอยู่หรือปรากฏขึ้นในจิตใจขณะนั้นๆก็เข้าเผชิญหน้าไม่เลี่ยงหนีเข้ารับรู้ตามดูมันตามที่มันเป็นไปตั้งแต่มันปรากฏตัวขึ้นจนมันหมดไปเองแล้วก็ตามดูสิ่งอื่นต่อไปเหมือนดูคนเล่นละครหรือดุดเป็นคนข้างนอกมองเข้ามาดูเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เป็นท่าทีที่เปรียบได้กับแพทย์ที่กำลังชำะระตรวจดูศพหรือนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตดูวัตถุที่ตนกำลังศึกษามีใช่ท่าทีแบบผู้พิพากษาที่กำลังพิจารณาคดีระหว่างโจทกับจำเลยเป็นการดูเห็นแบบสภา ว, วะวิสัย Objective ไม่ใช่สกาววิสัยหรือซ b j e c t i v e การที่เป็นอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเช่นนี้มีลักษณะ ส, สำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันกล่าวคือสติตามทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่หรือกระทำอยู่ขณะนั้นๆั้นแต่ละขณะขณะไม่ปล่อยให้คลาดกันไปไม่ติดข้องค้างคาหรืออ้อยยิงอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านล่วงไปแล้ว ไม่ลอยคว้างไปข้างหน้าเลยไปหาสิ่งที่ยังไม่มาและยังไม่มีไม่เลื่อนไหลถอยลงสู่อดีตไม่เลื่อนลอยไปในอนาคตหากจะพิจารณาเรื่องราวในอดีตหรือสิ่งที่พึงทำในอนาคตก็เอาสติกำหนดจับสิ่งนั้นมาให้ปัญญาพิจารณาอย่างมีความมุ่งหมายทำให้เรื่องนั้นๆกลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิต ไม่มีอาการเคว้งคว้างเลื่อนลอยและห้อยเพอของความเป็นอดีตรหรืออนาคตการเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันเช่นนี้ก็คือการไม่ตกเป็นทาสของตัณหาไม่ถูกตัณหาล่อไว้หรือชักจูงไปนั่นเองแต่เป็นการอยู่ด้วยปัญญาทำให้พ้นจากอาการต่างๆของความทุกข์เช่นความเศร้าซึมเสียดายความร้อนใจกลุ่มกังวลเป็นต้น และทำให้เกิดความรู้พร้อมทั้งความปลอดโปร่งพองใสเบาสบายของจิตใจ